พน้นออกมาจากอารมณ์พน้นออกมาจากการท่วมทับของอารมณ์นั้นาะเนี่ยเขาเรียกพ้นน้ําพ้นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าที่ใดที่หนึ่งที่เราจะขึ้นไปพน้นจากมนุษย์ไม่ไม่ได้เราไปที่ไหนไม่เจอมนุษย์ทั้งนั้นแต่คําว่าพน้นในที่นี้เขาจิตของเรามันพน้นออกมาจากอารมณ์พน้นออกมาจากการท่วมทับของความคิดของอารมณ์ตรงนั้นเด้อเรียบเป็นที่พึงงงพ่งได้จิตอย่างนั้นเด้อพึ่งได้เดาก็รู้สึก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 สังเกตดูแล้วนี่ก็ไม่ใช่ทําง่ายนะทำเขาทั้งฝืนทั้งฝืงฝนนะใช่ไหมมันทํำท่ายจะดึงไปตรงนั้นเลย ท, ทําท่ายจะดึงไปตรงนั้นเลยรุดรลิลิลไปเงินเลยสังเกตไหมมันไม่ได้สนิทอกสนิทใจไงจะทําด้วยความสนิทอกสิจะทําด้วยความเย็นอกเย็นใจชื่นอกชื่นใจนะไม่ค่อยได้แล้วมันมีอะไรมาผ่านมาต้องมาดึงมาดูดมาฉุดมาลังอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เห็นนะตรงนี้คือความยากของมันถ้าคนไม่ตั้งใจจริงๆจะสู้ไหวไหม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 จิตของเรามันก็จะเคลื่องกล่าวไม่หนักไม่หนื่อไม่หน่วงจิตของเรกาก็เบาสบายนะฉะนั้นในช่วงเนี้ยแดดลมลมตรุกเราออกไปเดินนั่งบางใต้ต้นไม้อะไรกำลังดีนะต่ น, นถึงทุ่มสมรุมเขาเขาพักก่อน